อาจารวาโดยท่านพระอาจารฟัน่นอาจารโ 1. หนึ่งบุญบาปสิ่งใดใจถึงก่อนใจเป็นรากฐานใจเป็นประธานมันสำเร็จที่ดวงใจ 2. ตัวบุญคือใจสบายเย็นอกเย็นใจตัวบาปคือใจไม่สบายใจเดือดใจร้อน 3. ความเจ็บไข้ได้พยาธิอาพาธโรคา เป็นของธรรมดาสําหรับสัตว์โลกสเราไม่อยากเป็นกรรมเป็นเวรเราก็ต้องตัดตัดอารมณ์หลักให้อยู่ในที่รู้ให้กําหนดดูความรู้อยู่ตรงไหนแล้วเราก็เพ่งอยู่ตรงนั้นหปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขาร 6. กรรมทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นใครมาจากกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของเราเท่านี้ 1> 1. พุทธะคือผู้รู้มันมีอยู่อย่างนั้นมันดับไม่เป็นศูนย์ไม่เป็นแต่ 8. จิตของเรามันไม่หยุดให้มันนิ่งมันก็ไม่นิ่งเที่ยวก่อพบน้อยใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลาภาะวะภวิสัมภวันติเก้าถ้าคนไม่ได้ทำไม่ได้หัดไม่ได้ขัดไม่ได้กลา่าที่ไหนเล่าจะมีพระอรหันต์ในโลกสิบ ให้ ส, หสหหติกำหนดอยู่ที่ผู้รู้อย่าส่งไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างอดีตอนาคตกำหนดอยู่ที่ผู้รู้แห่งเดียวเท่านั้นละ่ะสิบเอ็ดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจในใจสิบสองลางคนวัดก็ไม่เข้าพระเจ้าก็ไม่นบวันศีลก็ไม่ละวันพระก็ไม่ถือแล้วจะเอาดีมาจากไหน 13. ให้พากันพิจารณาให้มันรู้มันเห็นลงไปเชื่อมั่นลงไปเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไป 14. บสีจำไว้พุทธโธธัมโมสังโฆทำอะไรอะไรก็พุทธโธกลัวก็พุทธโธใจไม่ดีก็พุทธโธขี้เกียจก็พุทธโธสิบหท่านสอนให้พิจารณากรรมาฐานก่อนหมดเวลาบวชพิจารณาเพราะเหตุใดเล่า เพื่อไม่ให้หลงถือทิฐิมานะอาหารการถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันจึงหลง 16. เราต้องปฏิบัติอย่างฝากตาย 17. ศีลห้านี้คือขาสองแขนสองศีรษะอันหนึ่งเรารักษาห้าอย่างนี้ไม่ให้ไปทำโทษห้าคืออันใดเล่าปานานั่นก็โทษ อะินานั่นก็โทษกาเมนั่นก็โทษมุสานั่นก็โทษสุรานั่นก็โทษพระพุทธเจ้าให้ละเวน้นเบรมณีคือละเวน้นสิบปดอยากสวยให้ถือศีลอยากรวยให้ทำทานอยากปัญญาฌานให้ภาวนาสิบเกจิตของเราสงบเป็นสมาธิมันรู้สึกสบายเย็นอกเย็นใจ หายทุกหายยากหายลำบากํำคาญยี่สิบผู้รู้ไม่ใช่ของแตกของทำลายของตายของดับยี่สิบอ็ด ถ้าใจเราดีแล้วทำอะไรก็ดีไปในไหนก็ดีทำงานก็ดีทำราชการก็ดีครอบครัวก็ดีพี่น้องก็ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ดีประเทศชาติก็ดียี่สิบสองความสุขอันใดเสมอจิตสงบไม่มียี่สิบสามธรรมะของพระพุทธเจ้าแปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์นั้น อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ที่ไหนอื่นยี่สิบสี่กรรมดีกรรมชั่วผู้นี้เป็นผู้กรรมเอาเป็นผู้ทาเอาไม่เห็นมีกรรมมาจากต้นไม้ภูเขาเหล่ากาไม่เห็นมีกรรมมาจากฟ้าอากาศมาจากกายกรรมวจัจจกรรมมโนกรรมเท่านี้หลักยี่สิบห้าเราเกิดมามีกรรมาฐานห้ามาพร้อม ทีนี้เด็กกับคนแก่พระ ก, กรรมฐานขาดไปองค์หนึ่งทันตาฟันไงละ่ะเด็กมันเกิดมาฟันยังไม่เกิดพระกรรมฐานขาดไปองค์หนึ่งคนแก่ฟันหลุดหมดพระ ก, กรรมฐานก็ขาดไปองค์หนึ่งยี่สิบหวิธีอื่นไม่มีจะตัดบาตตัดกรรมตัดเวร น, นอกจากเรานั่งสมาธินี้ยี่สิบเจ็ดเราเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรก่อภยัยไม่มีใครก่อให้ ไม่ใช่เทวบุตรเทวทิดาสร้างให้พี่น้องสร้างให้บิดามันดาสร้างให้เราสร้างเอาเองยี่สิบเอดมโนกรรมคือความน้อมนึกระลึกกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมนั้นสืบไปยี่สิบเก้าบุญคือความสุขบุญคือความเจริญบุญคือคุณงามความดีมันดีตรงไหนละ่ะเงิน เขาก็ไม่ได้ว่าเขามีความสุขถามดูสิเงินเจ้ามีความสุขไหมเขาเฉย อ, อยู่ไม่ใช่หรอนี่หละถ้าใจเราไม่สงบมันก็ไม่มีความสุขละถ้าใจเราไม่ดีความดีก็ไม่มีสิสามสอยากรู้อะไรตามที่เป็นจริงให้น้อมเข้ามาภายในโอปัญิโกเพราะอะไรอะไรมันเกิดจากภายในมาจากภายในสาเอ็ 31. ใจเราดีแล้วสบายไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่มีความชั่วช้าลามกสามสิบสองสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเกิดจากดวงใจของเรามนโนความโน้มนึกสามสิบสามเอานั่งเข้าที่นั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งให้สบายสบายวางท่าวางทางให้สงาา่าผ่าเผย ยิ้มแย้มแจ่มใสหลับตางับปากซ ะ, ะลิ้นก็ไม่กระดุกกระดิกให้ระลึกคำบริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วให้ระลึกเอาในใจว่าพุทโธเต่คำเดียวสาสิสเรามาทำบุญเราได้บุญมันอยู่ตรงไหนบุญเป็นตัวยังไงให้มันรู้สิส5สิบหสมุทัยคือมหาสมุทรจมในมหาสมุทรคือหลงสมมุต หจงเอาพระเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่กราบที่ไหว้สาสิบเจ็ดเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วเราอย่าไปหาไปหาแล้วมันเป็นตัณหาสาสิบแเรานั่งอยู่นี่มันเกิดกี่พบกี่ชาติแล้วพระเวพวาสัมพวันติมันเที่ยวโกาพบ น, น้อยใหญ่หญอยู่มันห้ามไม่ได้เรานั่งสมาธินี้เพื่อห้ามไม่ให้เกิด 39. เาราทำอย่างนี้เรียกปฏิปฏิปฏบูชาบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเลิศอย่างประเสริฐที่สุดบุญอันใดจะเท่าเรานั่งสมาธิภาวนานี้ไม่มี 40. ถ้าหยุดหาเสียเมื่อใดมาตั้งใจปฏิบัติธรรมก็เห็นธรรมเมื่อนั้น 41. อ เวลานี้เราอยากเข้าใจอย่างอื่นว่าเป็นศาสนาไปเรียนอย่างอื่นไม่ใช้โอปัญญากรรมไม่น้อมเข้ามาหาตัวเราก็ไม่เห็นสิ่สี่สิบสองเพ่งดูมโนอาการสาสองเพ่งให้แจ่มแจ้งพักขวาผู้จำแนกแจกธรรมแจกเข้าแล้วมันก็ไม่มีคนอั น, นั้นเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นผิวหนัง เป็นตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่มันไม่ใช่ตัวตนนี่มันไม่ใช่คนนี่ 43. สธรรมะ8ปด0ม่นสี่พันไม่ใช่อะไรรวมแล้วได้เก่พระสูตรคือลมหายใจเข้าพระวินัยคือลมหายใจออกพระปรมัติผู้รู้ที่อยู่ข้างในส4เดษดร้อนหรืออากาศหนาวหรือถามเขาดูสี่ เด็ดเขาว่าร้อนไหมอากาศเขาว่าหนาวไหมเขาไม่ได้ว่าอะไรไม่ใช่เรอะเราต่างหากเป็นตัวร้อนตัวหนาวสี่สิบหถ้าเราทำความชั่วไว้ทำนั้นก็นำเราไปทุกขติ4ี่สิความรู้สึกเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายทุกหายยากหายความลำบากำาํำคาญสบายเย็นอกเย็นใจนั่นล่ะความสุขสี่สิเจ็ด มันเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นไม่รู้ที่เกิดไปดับที่อื่นมันก็ไม่ดับซี่อุปมาเหมือนดับไปฟ้าดับดวงนี้ดวงนั้นก็ยังอยู่ดับดวงนั้นดวงอื่นยังอยู่คนผู้ฉลาดดับที่หม้อแบตเตอรี่มันก็มืดหมดทั่วพระนครอันนี้ไปดับจิตดวงเดียวก็หมดไม่ต้องไปดับตาดับหูดับจมูกดับลิ้นดับกายดับใจดับที่ใจดวงเดียวแล้วดับหมด เพราะทั้งหมดมันเกิดจากใจ48มโนความน้อมนึกใจนึกอันใดก็เป็นอย่างนั้นมันนึกเอามันน้อมไปท่านไม่ให้น้อมไปให้น้อมเข้ามาโอปะนยญิโกท่านไม่ให้ส่งไปให้ส่งเข้ามา49ความพ้นทุกเป็นยังไงเล่าพูดง่ายๆคือจิตเราไม่ทุกขมันก็พ้นทุก์จิตยังมีทุกอยู่มันก็ไม่พ้นทุก50 เราจะเข้าสู่สงครามกิเลสสงครามคืออะไรเล่าคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้เวลาเราจะดับขันให้ตั้งสติเพ่งตรงผู้รู้เข้าถึงสมาธิคือจิตตั้งมั่นมันก็ไม่หวัน่นไม่ไหวในทุกขเวทนาทั้งหลายเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาก็สักเต ว, ว่าสัญญาสังขารวิญญาณก็สักแต่ว่าเป็นสังขารวิญญาณ นึกถึงแต่ผู้รู้รู้เท่าสังขารรู้เท่าวิญญาณเรื่องมันเป็นยังงั้นห้าิบร่างกายคือต้นศาสนากว้างโศกยาวาหนาคืบนี่เองนี่หละตู้พระธรรมเป0 0มืนี่พันพระธรรมขันธ์ก็อยู่ในตู้นี้หลัก 52. อากูสลังจิตตังอากูสลจิตคือจิตทุกข์จิตยากจิตวุ่นจิตวายจิตเดือดร้อนจิตฟุ้งซ่านรำคาญ นี่ให้พิจารณาดูซี่มันไม่ได้เกิดจากอื่นอกุศลทั้งหลายมันเกิดจากจิตห้าสิบสามให้เราเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจให้เรียบร้อยเมื่อมีความสำรวมอย่างนี้จะไปฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัวโตๆอย่างไงแม้แต่มดตัวแดงเมงตัวน้อยท่านก็ไม่ให้กระทำไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ห้าสิบสี่จิตแปลว่าความเคลื่อนภาษาเราว่าตายแท้ที่จริงนั้นจิตวิญญาณมันไม่ใช่ของแตกของทําลายและไม่ใช่ของสูญหายห้าสิบห้าท่านว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจิตของเราถ้ามันเที่ยงไม่แปลผันโยกย้ายไปมาก็พึ่งพาอาศัยได้ นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นบอกให้มันนิ่งมันก็ไม่นิ่งบอกให้ไปทางนี้มันไปทางน้นอย่างนี้จึงพึ่งไม่ได้เราจึงต้องมาพากันทําสมาธิห้สิหเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราต้องรักษาต้นรักษาโคนมันใส่ปุ๋ยรดน้ำโคนมันดีต้นมันก็ต้องดีดอกผลไม่มีใครบังคับมันเกิดเองต้นมันดีดอกผลมันดี อันนี้เอาอะไรเป็นต้นคือดวงใจเป็นต้นเมื่อใจเราดีแล้วทำอะไรก็ดีหาอะไรก็ดีห้าสิบเจ็ดเมื่อใจไม่ดีแล้วนึกพุโทโธพุโทโธตัดมันเสียห้าสิบอาธิกะระยาังงามเบื้องต้นคือผู้มีศีลมัดเชกะระยางังามท่ามกลางคือผู้มีสมาธิ ปรโยสาณกัลยาณังงามที่สุดคือผู้มีปัญญาห9ิ 59. การปฏิบัติถ้าไม่ได้ทำจริงมีแต่เรียนก็ไม่รู้พระพุทธศาสนาคือการประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยการกระทำอย่างน้อยความรู้มันก็น้อยความเห็นมันก็น้อยเห็นแต่เผินๆห0สิ 60. บางคนกลัวผีเวลาเพ่งผีอยู่ที่ไหนละ่ะวันหนึ่งหนึ่งฝังกี่ศพ ผีคนตายไปกลัวผีฝังในตัวเองไม่กลัวผีศพหลักวันนี้ผีปลาถูเกเข็มผีวัวผีควายผีเป็ดไก่สุกรเต็มอยู่ในท้องหมดทำไมไม่กลัวหลัก